เตือนลูกหลานเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดตั้งแต่ปีหลวงปู่มั่นมรณภาพมาจนกระทั่งป่านนี้เราได้ครองธรรมะประเภทนี้มาแต่ไม่เคยแสดงอะไรออกมามีความจริงยังไงก็ว่าไปตามหลักความจริงแต่นี้มันจะตายทิ้งเปลา่า ตายทิ้ง เ, เปล่าเกิดประโยชน์อะไรเราเกิดมาก็เพื่อทำประโยชน์ให้ตนเองและโลกแล้วเวลาจะตายก็จะทำประโยชน์ให้โลกบ้างอย่างนี้มันเป็นความเสียหายแล้วเรอถ้าเป็นความเสียหายก็ผู้ที่ต้องการความเสียหายก็สร้างเอ า, ส ร, า, เอาสร้างเอาเท่านั้นเองนั่นละ่ะจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ เราทำประโยชน์เราทำเป็นที่แน่ใจเพราะฉะนั้นขอให้ยึดหลักนี้ไว้เป็นหลักใจหลักความประพฤติหน้าที่การงานอย่าลืมศีลลืมทานอย่าลืมการกุศลตายแล้วจะไปเป็นเปรตเป็นผีนรกอเวจีเพราะความเชื่อกิเลสตัณหาใช้ไม่ได้นะต้องเชื่ออัดเชื่อทำ เราเป็นลูกสิทธาคตเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้ส่ะสแสวงหาการทำบุญให้ทานนรกสวรรค์พรหมโลกมีสดสดร้อนๆ้อนพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทุกๆพระองค์เป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีเคลื่อนคลาดไปไหนเลยบาปมีตามเดิม บุญมีตามเดิมนรกมีตามเดิมสวรรค์มีตามเดิมใครทำบุญทำบาปก็ไปตามสถานที่ที่ตนทำไว้ทั้งดีทั้งชั่วนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงให้เลือกเฟ้นเสียตั้งแต่บัดนี้เวลาตายแล้วจึงนิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลาธรรมมา ยายนี่ตายแล้วไปไหนนาอย่ามานิมน์หลวงตาบัว น, นะเราเอาคอนป่าอย่าว่าไม่บอกนะ